นั่งฟังทำร่วมกันเนาะพวกเราก็ได้ร่วมกันสวด น, นะบทอนัตตะรักนัสูตรนะเป็นพระสูตรนะที่สองที่ พ, พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้นะท่านแสดงให้กับปัญจวัคคียนะ์ในช่วงภาษาแรกนะที่ท่านตัสรู้แต่จริงก็เป็นพระสูตรที่ก็ ใช้ได้ถึงตอนนี้เนาะคือพระสูตรหรือคําสอนพระพุทเจ้าเนี่ยสอนเมื่26อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังใช้ในวันนี้ได้เพราะไม่ล้าสมัยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความจริงความจริงเมื่ออดีต ก, ก็ดีความจริงปัจจุบันก็ดีหรือความจริงใ น, ในอนาคตก็ดีเนี่ยมันก็มันเหมือนกันเนาะดู ไม่เที่ยงนตะู้คือคือร่างกายเอาง่ายๆภาษานตู้คือร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์ร่างกายของสัตว์ร่างกายของเทวดาร่างกายของลมนะหรือแม้แต่ร่างกายของต้นไม้หรือก้อนหินนะมันก็ไม่เที่ยงนะร่างกายของโลกนี้นะที่เป็นรูปนะเป็นวัตถุนะ ถ้าจะได้จริงก็เป็นวัตถุจะใกล้เคียงนะลูปคือวัตถุหนึ่งก็ย่อมไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะคือศาสนาพุทธเนี่ยนะจะต่างจากศาสนาอื่นนะบางทีเราบอกว่าศาสนาพุทธก็คล้ายค้ายศาสนาอื่นนะมันดีนะดีด้วยกันนะแต่ดีไม่เหมือนกัน ศาสนาอื่นนี่จะเน้นเน้นการทำดีเพื่อไปอยู่ในสวรรค์หรือไปอยู่กับดินแดนของพระเจ้านะแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่แตกต่างกันนี่แหละเราทำดีหรือว่าเราภาวนาเพื่อไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะพระเจ้าท่าเห็นว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนจนะแต่เป็นมนุษย์ก็ต้องแก่เจ็บตายจนะเป็นเทวดาก็มีราสีพอใกล้จะตายก็เหมือนหมดราศีไปคล้ายๆเหมือนกับดอกบัวนะตอนเบ่งบานก็สวยงามพอตอนเริ่มนะเหี่ยวก็เริ่มเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆก็ตายไปอ จะเป็นเทวดาเองจะเป็นพรหมเองก็ดีก็ก็เป็นเช่นนั้นนั้นความปรารถนาในพุทธศาสนาจริงไม่ใช่ปรารถนาเพื่อการเกิดเพราะท่านเห็นว่าการเกิดทุกคราวเนี่ยมันเป็นทุกข์ล้ำไปนั้นทําอย่างไรเราถึงจะไม่เกิด เ, เกิดในภพน้อยภพใหญ่นะก็เป็นทุกข์บางทีเราเคยได้สวดมนต์นะบอกว่า ตั้งหลายที่อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีภพน้อยภพใหญ่คืออะไรภพใหญ่นะก็คือเนี่ยเช่นตอนเนี้ภพใหญ่ของเราคือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์บางทีหมาก็อาจจะเป็นเรียกว่าภพความเดชานเทวดาก็เป็นภพอยู่บนสวรรค์อันนี้เรียกว่าภพใหญ่แต่ในภพใหญ่ของเราเนี่ยมีภพน้อยคืออะไรบางทีตอนนี้เราเป็นมนุษย์ แต่ถ้าตอนไหนที่จิตใจเราทําบุญจ ja ิตใจเราดีน่ะด้านกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดาออันนี้คือครบน้อยกลายเป็นเทวดาตอนเนี้ถุงตั้งกายเราเป็นมนุษย์พอราโกรธขึ้นมานะร่างกายเราก็เป็นอสุรกายละเออจิตใจเป็นอสุรกายละหรือพอจิตใจมันเครียดมันทุกข์นะเรียกว่าจิตใจตกนรกก็ได้ หรือถ้าหลงเลยก็เป็นเดชะฉานอันนี้เรียกว่าพบน้อยพบใหญ่เนา ะ, นะพบใหญ่ของเราตอนนี้เป็นมนุษย์แต่พบน้อยเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะพบใหญ่นะอาจจะหลายสิบปีกว่าจะตายเนาะกว่าจะแก่กว่าจะตายแต่พบน้อยเนี่ยเกิดแล้วก็ตายบ่อยมากนะทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาน ไปนั่งถึงตอนกลางคืนเนี่ยเกิดพบน้อยเยอะมากเลย <c oughs> นี่แหละคือการเกิดพคนเนี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมเพราะว่าก็าคือพูดง่ายง่ายคือจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็สุขใจนะคำว่าดีใจเสียใจนีจจ่คือหรือว่าสุขใจทุกข์ใจเนี่ยภาษาพระที่เราสอนเมื่อกี้เขเรียกว่าเวทนา เวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือว่าความเฉยมันไม่เทีย่ยงเราจะสุขข้ามวันข้ามคืนก็ไม่ก็ไม่ได้นะเราไปยึดว่าจะให้สุขตลอดเนี่ยเราไปคาดหบังมันก็ก็ทุกข์แล้วเพราะว่ามันเหมือนคล้ายเราพยายามต้องรักษาให้มันสุขตลอดเนี่ยมันก็เหนื่อยนะความสุขมันก็ไม่เทีย่ยงมันก็ไม่ใช่ตัวตน ที่จริงทุกเองมันก็ไม่เที่ยงนะมันไม่ใทุกตลอดเวลานะตอนไหนที่เราทุกก็ตอนที่เราคิดนะตอนที่เราคาดหวังตอนที่เราเจอกับสิ่งที่ไม่คาดหวังนะเพราะเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกขนะ์ถ้าปรารถนาเราได้ก็เรียกว่าสุขนะได้เจอกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าสุขแต่ความจริงเนี่ย ป่าถนานะมันก็ย่อมเจอทั้งถุกแล้วก็ทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ทั้งสมหวังทั้งผิดหวั ง, งนะอันนี้คือความจริงนะนะเวทนานก็จะไม่เที่ ย, ไ ย, นะยงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสัญญาคืออะไรสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะสัญญาความถ้าาง่ายก็คือความจำเนี่ย้ันก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้นะหรือบางทีสัญญาเราไปคิดว่าคนอื่นเขาสัญญากับเราแบบนี้มันต้องเที่ยง ม, มันก็เป็นทุกนะเช่นบางทีเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันบอกว่าจะรักกันจนตายจะดูแลกันจนตายแต่พอมีปัญหาก็แยกกันดีกว่านะจากกันดีกว่าทิ้งกันดีกว่าแบบนี้นกนะ็หรือบางทีมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าเพราะว่า บางทีเขาก็ไปก่อนเรานะไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายก็ไดนะ้มันไม่แน่นอนเนานะพ่อแมนะ่จะดูแลเราได้ขนาดไหนท่านก็ไม่เที่ยงท่านก็ต้องไปเหมือนกันนะไม่มีใครที่จะรักษาสัญญาได้จริงดอกนะเพราะว่าสัญญามันตั้งอยู่บนสังขารที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่ตัวตนตรงนี้แหละนะสังขารเองเนี่ยคือความคิดปรุงแต่ง เรารู้สึกไหมบางทีความคิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมเวลาไม่สบายกายเนี่ยก็ห้ามไม่ได้นะที่จะไม่อยากให้กังวลแต่มันก็กังวลใจไม่อยากทุกข์ใจแต่มันก็ทุกข์ใจนะนี่คือสังขารมันปรุงแต่งของมันเองเราทํางานไม่อยากเครียดมันก็เผลอไปเครียดใช่ไหมฮะเขาชมเราดูว่า ชมแล้วหลงไม่อยากหลงแต่บางทีก็เผลอหลงแบบนี้เห็นของสวยเห็นของหน้าอร่อยรู้ว่าการหลงแบบนั้นมันผิดปกติแต่ก็ห้ามไม่ได้นะี่จำขานมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะนะมันก็เปลี่ยนแปลงมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นนะมันแสดงความเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปสจำขานหลวงพ่อคงเขียนท่าบอกว่า ชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นนะจะา้ามันแน่นอนไม่ได้หรอกน ะ, ะคือความคิดเนี่ยแหละความคิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้เราจะเห็นความคิดเนี่ยแหละมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะเปลี่ยนนะแต่ผู้ิต ป, ปฏิบัติธรรมจริงๆนะเราไม่ห้ามความคิดแต่เราจะเห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปจับต้อง ยึดติดกับความคิดต่างๆนะไม่เอาความคิดเป็นตัวเป็นตนของเรานะวิญญาณนะวิญญาณคืออะไรวิญญาณไม่ใช่แบบวิญญาณในหนังวิญญาณคือการรับรู้การเห็นเช่นตาเห็นรูกเนะี่ยเรียกว่าวิญญาณทางตานะหูได้ยินเสียงเรียกว่าวิญญาณทางหูนะ จมูกได้กลิ่นเรียกว่าวิญญาณทางจมูกลิ้นได้รสวิญญาณทางลิ้นตายสัมผัสวิญญาณทางกายนใจคิดนึกคุงแต่งรับรู้ได้เรียกว่าวิญญาณวาญญาณิญญาณจะเปรียบเหมือนกับประตูหรือหน้าต่างก็ได้คนะือช่องทางที่มันเราไปสัมพันธ์กับโลกเราไปเกี่ยวข้องกับโลกนะแต่ปัญหาของคนทั่วไปพอมันไปสัมพันธ์พอมันไปเห็นแล้วมันไม่ทันนะ เราไม่เท่าทันเช่นพอตาเราไปเห็นของนะของสวยงามนะใจเราก็เกิดความชอบนะเกิดการปุมแต่งอยากจะได้เลยไหมไปห้างไปตลาดไม่ทันรู้ทันก็มันไปเห็นแลนะไปะรู้ทันอีกทีตอนไปซื้อแล้วอยอะไหมมันซื้อมาแล้วนะไม่รู้ทันเพราะว่าหรือบางที ได้ยินเสียงแล้วไม่รู้ทันว่ามันเกิดเสียงขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้ยินกุ๊โกรธปั๊บเลยแบบนี้นะแค่เห็นหน้าบางคนก็ไม่พอใจเลยแค่เห็นหน้าบางคนก็พอใจเลยนะได้ยินเสียงบางคนก็พอใจละได้ยินเสียงบางคนก็ไม่พอใจละอันนี้คือมันเร็วมากนะนั้นสิ่งที่เนี่ยรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเนะี่ย จะเรียกว่าเป็นประกอบกันนะเป็นชีวิตเป็นชีวิตของของมนุษย์เราหรือเป็นชีวิตของอย่างอื่นที่มีขันห้าขันก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้นมีมีสิ่งที่ประกอบด้วยรูปกับนามนะประกอบกันแต่ทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยมันไม่กดเป็นยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็ น, นจริงนะมันเป็นคุก มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะควรยึดมั่นถือมั่นแต่มันก็ยากในแง่อะไรยากเพราะว่าเราก็ยังคิดว่ารูปนี้เป็นของของเรานะเราคิดว่าอยากให้รูปนี้มันดีตลอดหรืออยู่นานๆเนาะนะเราป่วยก็อยากให้มันหายป่วยนะไม่สบายใจก็อยากให้มันสุขใจนะนะเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะ แต่จริงลองดูจริงนะยิ่งเราไปยึดว่าเป็นของของเราเนี่ยแล้วยิ่งทุกข์กับตรงนั้นมากขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่ามันเป็นเหมือนของที่เรายืมเข้ามาใช้เมื่อสิ่งนั้นมันมันสลายไปมันแตกตัดไปตรนี้ก็เหมือนเราคืนเข้าไปคืนกลับไปสู่ธรรมชาติะร่างกายนี้เราก็ตั้งอยู่ได้มาใช้หลายสิบปี สุดท้ายก็คือกับไปสู่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมดานะเหมือนกับต้นไม้มันออกดอกออกใบออกผลจะไม่ให้เขาใบร่วงเหรอจะไม่ให้ผลเขาร่วงหรอจะไม่เห้เาแก่เหรอก็เป็นไปไม่ไดนะ้ร่างกายจิตใจนี้ก็เหมือนกันเนะี่ยจะไม่ให้เปลี่ยนแปลงเหรอจะไม่ให้เป็นทุกข์เหรอจะไม่ให้จะบังคับมันตลอดได้เหรอมันก็ไม่ได้เนี่ยศาสนาพุทธนะ เน้นให้เห็นตรงนี้แหละนะพอเห็นตรงเนี้ยมันจะอะไรมันจะคลายการยึดมั่นถึงมั่นมันจะเห็นสักแต่ว่านะสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านามสักแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นขึ้นมาเฉยเมื่อเห็นว่ามันสักแต่ว่าเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเป็นของของเรานาะเราทุกข้ อ, อะไรทุกข้อยึดว่าเป็นของเรานะอืมแต่จริงของเราจริงๆมันมีไหม <c oughs> อย่างที่ พระพุทธเจ้าสถานนยถ้าของของเราเนี่ยบังคับได้ไหมให้มันดีอย่างเดียวนะบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราดูลงไปเนี่ยที่กายที่ใจดูการปฏิบัติจริงๆมันจะค่อยๆถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะเห็นเห็นบ่อยๆนะจนทั้งจิตมันยอมรับอันนี้คือหลักสำคัญนะมันคิดไม่ได้ <c oughs> มันคิดก็อาจจะเข้าใจแค่ระดับการคิดนะ แต่การถ้าเราได้เห็นถ้าเราได้ทําด้วยตัวของเราเนี่ยมันจะเกิดกันอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอนะก็ดูไปเรื่อยเนาะกนะารมีสติน่ะกลับมาดูบ่อยๆ่อยนะกลับมาดูร่างกายกลับมาดูจิตใจบ่อยบ่อยนะมันจะเห็ น, นะ เ, หนเห็นบ่อยบ่อยเห็นไม่บ่อยแหละมันจะเกิดความเข้าใจของมันเองนะการภาวนาไม่ได้มีอะไรมากกว่าการแค่กลับมาเห็นบ่อยๆกลับมาดูบ่อยบ่นะ แต่ดูแบบไหนดูเหมือนดูคนอื่นอย่าไปคิดว่ารูปนี้เป็นของของเรานะถ้าคิดเมื่อไหร่มันก็คือไปยึดแล้วแต่ถ้าเราดูเหมือนดูคนอื่นเนี่ยเราจะเกิดดูมันทุบรูปมันเปลี่ยนแปลงรูปมันบังคับไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันนะดูมันไปเลยนะดูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันบังคับได้ไหม ดูมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ชังนะเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจบังคับไม่ได้ทั้งนั้นนะดูในแต่ละวันนะเวลาเราทํางานบางทีอาจจะดูกายไม่ทันนะก็ดูใจนะดูกายไม่ทันเนะี่ยเราก็ดนะูตรวจคนไข้ขึ้นมานะคนไข้นะอาการดีขึ้นอ่าหมอดีใจพยาบาลดีใจนะ คนไข้อาการไม่ดีขึ้นหมอก็เริ่มคิดละนะต้องปรุงแต่งยารักษาละคนไข้ดื้อดึงท่อออกรู้สึกแบบไหนไม่พอใจหมุดหงิดหรือเปล่าหรือเฉยๆอันนั้นก็แล้วแต่เนาะคือเราดูความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่ามันจะต้องดีตลอดนะไม่ใช่ดูให้มันดี แต่ดูอย่างที่มันเป็นตัวอย่างที่มันเป็นมันจะเป็นแบบไหนเราก็ดูมันอย่างนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวตนจริงๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คลอมทั่วคลาว์เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับอมาปฏิบัติโอ้มันตอนแรกเราคิดว่าเราจะปฏิบัติให้มันสงบเนาะคิดว่าทําจิตสงบแล้วมันจะเกิดปัญญาะ แต่ปฏิบัติจริงๆมันไม่สงบนะเพราะอะไรมันจะเห็นน่ะเห็นจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยของมันจิตมันเรียกว่าสำคาญมันไม่สงบนะแต่ตัวที่เห็นมันสงบดูได้นะมันจะมันจะเห็นไปสองส่วนไอ้ส่วนนี้มันเปลี่ยนแปลงแสดงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนมันแสดงไปแต่ตัวผู้รู้ตัวสติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยพอเราดูไปเรื่อยมันเหมือน มันแยกกันอยู่มันแยกกันกายมันทุกขนะ์แต่ใจเฉยๆเย็นนะนะหรือบางทีใจมันหลงแต่พอรู้ทันเอา้าความหลงก็หายไปแล้วนะเนะีนะ่ยเราก็เห็นนะความหลงมันไม่เที่ยงนะใจมันไม่ใช่ตัวตนจริงพอแค่มีสติมามันก็เห็นนะ่ะเห็นนะเห็นแล้วก็วางนะดูไปเรื่อยจิตเราจะเป็นกางกับ สภาวะต่างๆมากขึ้นเมื่อจิตมันเป็นการกับสภาวะต่างๆเนี่ยโอ้มันก็ไม่อยากจะไปยึดอะไรเนี่แค่คิดจะยึดก็ทุกข์แล้ว <c ười> แค่คิดจะอยากได้อะไรเนี่ก็ทุกข์แล้วนะมันก็เลยเกิดการวางความคิดนะวางการปรุงแต่งเนาะแต่การทํางานนะหรือการเกี่ยวข้องกับผู้คนนะบางทีมันก็บางทีพอมันมีงานเนี่ยมันก็คิดนะใช่ไหม <c ười> มีงานก็คิดนะแต่ปัญหาของเราคือตอนไม่ทำงานเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่ใช่ั้มตอนกินข้าวก็เอางานมาคิดตอนจะนอนก็เอางานมาคิดนะเราฝึกเพื่อชะวางมนะันตอนทำงานก็ต้องคิดนะก็คิดก็ใช้ความคิดใช้สติกับการทำงานไปเลยให้ความตั้งใจกับการงานไปเลยแต่ตอนไหนที่ไม่ได้ทำงานแล้วมันเอาเรื่องนั่นมาคิดนะให้เราวางมัน หรือขนาดทาไปถ้าเกิดความคิดหรือเกิดอารมณ์อื่นที่มันแทรกเข้ามาไม่ใช่งานเช่นพอทําไปความเบือ่อเกิด ข, ขึ้นมาเนี่ยความเบื่อเนี่ยไม่ใช่สิ่งดีสำหรับงานใช่ไหมให้เรารู้ทันทํางานไปเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาในใจเนี่ยความหงุดหงิดไม่ใช่งานนะให้เราเห็นเออเห็นความหงุดหงิดมันเข้ามาแทรกะในงานคล้ายๆเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะ มันมีหนอนมันมีเพี้ยเข้ามาเนี่ยไอ้หนอนพวกเพี้ยเนี่ยคือกิเลสที่มันมาแทรกที่มันมากินต้นไม้่ะที่เราปลูกใช่ไหมเราทํางานก็ดีเราใช้ชีวิตก็ดีมันเกิดความงุดหงิดมันเกิดความเบื่อมันเกิดความปรุงแต่งออกไปข้างนอกอันเนี้ยเรากาจัดพนั้นออกฝ่ายเสียเราทํางานเรามีสติกับการทํางานตั้งใจทํางาน แต่พอเกิดอะไรปุงแต่งขึ้นมาแทกขึ้นมาให้เราวาง ม, มันให้เรารู้มันนะตอนจะกินข้าวตอนจะนอนตอนจะทำอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยวางฝึกมันนะไม่ได้ฝึกห้ามนะแต่ไม่ตามมันนะไม่ห้ามแต่ไม่ตามนะแค่รู้เฉยๆมันอัศจรรย์นนะแค่การรู้เฉยๆนี่แหละมันทำให้เราเกิดปัญญาได้ ปัญญาคือการเข้าใจความจริงของรูปของนามนะว่ามันเป็นเพียงแค่รูปแค่นามเนะี่ยปัญญาจริงๆคือตรงนี้เนะี่ยเมื่อเราเกิดปัญญาตรง น, นี้แหละมันก็อยู่กับโลกได้นะอย่างยังไม่ทุกใจเนะีนะ่ยอะไรที่เราเห็นเข้าใจแล้วมันก็วางได้เลยนะอะไรที่ยังไม่เข้าใจมันก็จะเกค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยค่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยๆ Ve Ve Ve. นะอยเรียนรู้ไปเนะี่ยนี่คือสิ่งสําคัญนะในการใช้ชีวิตของเราเนะเราเห็นทุกอย่างนะ เราจะมองปัญหาแต่ไม่ใช่ความทุกข์ <c oughs> ปัญหาเป็นเรื่องหนึ่งนะปัญหาร่างกายไม่สบายปัญหาการงานที่ไม่ราบรื่นปัญหาดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเนี่ยมันมองเป็นแค่ส่วนภายนอกนะปัญหาต่างๆมันดูเป็นเรื่องภายนอกแต่ทุกข์ใจเนี่ยเป็นเรื่องภายในใจของเราปัญหาส่วนหนึ่งทุกข์ใจส่วนหนึ่ง เราจะแยกได้ชัดเจนเด็กขาดเลยว่าไอ้ที่มันทุกข์ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหามันทุกข์ตอนนี้คือใจเราที่วางไม่ผิด <c oughs> ใจที่วางผิดเท่านั้นเด็กกลับไปตรวจสอบดูตัวเองตอนนี้นะ <c oughs> เมื่อไรที่ทุกข์ใจเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้กลับมาดูว่าใจวางไว้แบบไหนอ <c oughs> ใจวางไม่ผิดใจวางไม่ถูกค <c oughs> วางผิดคือไปจมกับปัญหาที่เราเจอ <c oughs> หรือว่าไปมองว่าปัญหาที่คนอื่นเขาทาให้เนี่ยคือบางทีเราหลงเราหลงไปจมกับสิ่งนั้นหรือบางทีเราก็หลกไปโทษตนเอดแต่ถ้าเราวางใจไว้ถึกเนี่ยเราจะมองว่าไอ้ที่มันทุกข์ใจเนี่ยเพราะเราเราไปรู้สึกอย่างไรกับมันเราไปยึดมันไว้อย่างไรเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้นะเนี่ยการมีสติการรู้ตัวเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมานกะลับมาอยู่กับตัวนะ กลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำนะกลับมาดูทันว่าใจรู้สึกอย่างไรเนะี่ยกลับมาบ่อยๆนะถ้าเราจะเกิดความพ้นเหนะมือนดุดออกมาทีละขณะทีละขณะเหมือนจมน้ำํำอ่ะโผล่ขึ้นมาบนน้านิดนึงเนี่ยก็ได้ต่อลมหายใจ <c oughs> ใช่ไหมพ้นขึ้นมานิดนึงได้หายใจขึ้นมาสบายละอาจจะจมน้ำอีกก็โผล่ขึ้นมาใหม่อนะความทุกขเกิดขึ้นมาก็ อ่ะพ้นขึ้นมาใหม่ได้สติได้ปัญญานี่คือนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไวนะ้นอให้เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยไม่ควรยึดมั่นสือมั่นนะตอนจะมาฟังนะมีตอนไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆตอนนี้ยังไม่บวช น, นะพระท่านสอนตอนนึงเขาบอกสัพเทธรร ม, มานารังอภินิเวสายะนะี่เขาบอก ทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโอ้เราฟังแล้วมันเหแบบมันรู้สึกมันแทงใจมากแทงว่าะอะไรเราปฏิบัติเราก็อยากจะเป็นดิเราอยากจะดีแบบนี้ใช่ไหมเราอยากจะสงบนะเราอยากจะบรรลุ ธ, ธร ร, รมแบบเนะี้แต่จริงการไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สิ่งที่ดีแม้แต่การบรรลุ ธ, ธรรมท่านต้ไมให้เราไปคาดหวัง บางทีความทุกข์ของคนดีนะเพราะเรายึดดีหรือบางทีความทุกข์ของผู้ปฏิบฤติธรรมเนี่ยเพราะเราอยากจะบรรลุธรรม <c oughs> มีหลายคนมีหลายคนถามมีเคยถามนักปฏิบัติธรรมคนนึ่งนะ <c oughs> เขาก็ปฏิบัติธรรมมานานหลายปีสุดท้ายเขาก็เป็นมะเร็งแล้วก็เลือกที่จะไปเสียชีวิตที่วัดวัดป่าสุกระโตะเขาก็ไปอยู่ที่วัดก็มีน้องสาวไปดูแลนะ ก็ได้ไปคุยกับเขาว่ามีความห่วงความอะไรกัรงวลอะไรหรือเปล่าเขาบอกก็ไม่มีห่วงอะไรนะเพราะว่าลูกก็ไม่มีนะสามีก็ไม่มีนะทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ห่วงแล้วห่วงจุดอย่างเดียวคือห่วงห่วงตายไม่ดีคำว่ <c oughs> าตายไม่ดีคือตายแล้วอาจจะไปหลงขาดสตินะไปคิดหรือว่าไปกังวลใจนะตนะีก็ บางคนถ้าทางโลกไม่เคยปฏิบาาัติธรรมนี่ก็จะห่วงอย่างอื่นไปด้วยนะแต่นักปฏิบัติธรรมบางทีก็จะห่วงไปไม่ดีนะแต่จริงให้เราคิดเดือดร้อนเลือกแต่ว่าเราทําให้มันดีแต่ละขณะแค่นะั้นก็พอละวันนี้ทําให้มันเต็มที่ให้ดีที่สุดนะแล้วก็จบไปนะทําแล้วก็วางนะคำว่าสัพเพทํามาลาังอภินิเวตายะเ น, นี่ยทำทั้งหลายทั้งัวมีคนยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำดีนะสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ลักแต่ทำแล้วก็วางทำแล้วก็วางเหมือนกับความคิดความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาต้องเหมือนกันนะคิดแล้วก็รู้ว่าก็รู้ว่าแค่แค่คิดก็วางไปซะรู้สึกอย่างไรก็แค่รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็วางไปซะรู้แล้วก็วางไม่แต่ตัวสติเองก็รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยนะทุกอย่างเลย แม้แต่ตัวรู้ก็ดีตัวที่ถูกรู้ก็ดี๋ําแล้วก็วางรู้แล้วก็ว่างทิ้งมันไปเลียเนี่ยคือสุดยอดของการภาวนาเนาะ ก, ก็ฝากพวกเราไว้นะวันนี้ก็ทําให้มาเต็มที่นะเข้าใจแค่นี้ก็ยังไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยย่อมเข้าใจไปเรื่อยนะมันอยู่ที่ความขยันมันเพียร น, นะของการภาวนานะอัตมาก็นะ ก็แสดงําให้ฟังเนาะกะให้พวกเราได้ตั้งใจทํนะมันก็ย่อมเกิดผลนะกับการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเนาะก็ฝากไว้แค่นี้